กับการกระทามันไ ป, ปพร้อมๆกันสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรารู้เรียกว่ารู้เห็นสิ่งที่เราได้พบเห็นกับมือกับหูกับตาเราเรียกว่าพบเห็นพบเห็นสติรู้เห็นสติใช้สติ มีสติแล้วก็สร้างสติแล้วก็สร้างได้ใช่ได้ทุกโอกาสทุกกรณีควมรู้สึกตัวน่ไม่มีอะไรที่จะใช่คล่องแคล่วช ำ, ชำนาญชํานานเท่ากับการใช้สติไม่มีการไม่มีเวลาติดตัวติดต้อยห้อยตามเราอยู่ตลอด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 เรื่องของกายก็ไม่เรื่องเดียวเรื่องของจิตก็ไม่เรื่องเดียวมันเรียนจบง่ายๆ่ายไม่จบจากเหมือนการศึกษาทางโลกทางวิทยาศาสตร์ <c oughs> มันก็เกิดขึ้นเรื่อยไปเราใครใครเก็บแล้วนี่ก็ไข้มาลาเรียเกิดขึ้นมาอีกแล้ว หนักพวเก่าอันตรายพวกเก่าแต่ว่ากายใจของเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นในรูกโลกตามโลกโลกของรูกรูกหมดโลกของนามก็ลูกหมดรูกของโลกโลกโลกของโูกโูกตั้งแต่วันปฏิบัติวันที่หนึ่งวันที่สองนั่น พอมีสติก็เห็นแล้วเห็นลูกเห็นกายเห็นเวทนาเห็นกิจเห็ น, ธร ร, นธรรมที่เป็นกุศลรือกุศลธรรมที่เป็นกุศลรือกุศลเรียกว่าโลกก็ได้โลกของนามโลกของลูกก็มีเยอะแยะ หลายอย่างที่เราหลงเราสุขเราทุกข์โคลโลกของลูกเราสุขเราทุกข์โคลโลกของนามแบบนี้มันเป็นปัญญามันเป็นปัญญามันเป็นการก้าวล่วงจากโลกหมดโลกลู่โลกอย่างแกมแจ้งนะพอมีสติก็เห็นกายกายมันก็เป็นลูก มันมันเป็นรูปแล้วก็เป็นรูปทุกรูปโลกรูปสมมูิบัญญัติที่เกิดอยู่กับรูปมันเป็นช่องเป็นทางไปบัญญัติมันติดติดบัญญัติบัญญัติเรื่องรูปเรื่องกายว่ากูว่าตนแ้ไปหลงว่ากูว่าตนาก็เรื่อโลก ที่มันเกิดขึ้นกับลูกรักษาไม่หายแต่เห็นเป็นกายสักว่ากายเรียกว่ารักษาโรคที่มันเกิดกับลูกหายไปแล้วกูเป็นสุกูเป็นทุกข์กูร้อนกูหนาวกูหิวกูเก็บกูปวดกูสุขกูทุกข์กันเถื่อกับลูกหรือว่าคนมีโรคคนมีโรคดูดีๆ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 เวทนาสักเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนามันติดอะไรมาติดเราติดบุรีติดรูปติดรดติดกลิ่นติดเสียงติดผดพดสัมผัสติดอารมณ์มันติดมอนกันลูกเนี่ยมันก็ติดทั้งเคยติดอะไรจะใช่ไม่เป็นมันติดแล้วก็ไม่ใช่เรื่อง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 นีโคตรินนี่มันแสดงออกมาทําให้เกิดการหิวแล้วก็แสดงถึงกิจใจแสดงถึงอารมณ์แสดงถึงความยึดมั่นถือมั่นแสดงถึงการกระทําแสดงถึงกรรมเป็นกิเลสเป็นวิบากเป็นมงจรสืบไปเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากเพราะอยากจึงสูบเพราะสูบจึงติดเพราะติดจึงอยากกับโลก คนมีโลกก็ต้องเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่มีโลกก็เพราะไม่สูบเพราะไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากเพราะไม่อยากก็ไม่สูบเพราะไม่สูบก็ไม่ติดเพราะไม่ติดก็ไม่อยากโลกมันหายอันนี้มันรักษาหายแล้วพ้นจากโลกนอะเรื่องของจิตที่มันคิดที่มันคิดะจิตที่มันคิดมันมีแต่คิดอหละกิตอเก่งก็เขาออกหน้าออกตา เป็นทาวารของกิจเป็นการเคลื่อนไหวของกิจที่มันคิดความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจกับความคิดที่ตั้งใจดูดีๆจะดูไม่ดี mind, จะดูไม่ออกมันอยู่ด้วยกันมนน้มกับน้าขุ่นความขุ això, ่นมันก็อยู่ในน้าความสปกปรกมันก็อยู่ในน้าความสะอาดมันก็อยู่ในน้า แต่เราเอาน้าที่สปกปรกเราทำให้มันสะอาดแล้วมันก็ทำได้มันก็ทำได้ความสกปรกก็แยกออกไปส่วนหนึ่งความสะอาดก็เกิดอยู่ในน้ำจิตที่มันคิดที่ไม่ได้ตั้งใจต่อไปเอามาแต่ก่อนมันก็เป็นภาร ะ, ระต่อไปต่อมาเมื่อเราทำไปเราทำไปมันก็เกิดปัญญา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 เป็นปัจจัยการต่างๆเป็นพบเป็นชาติเป็นวงจรของเขาพอเราเห็นเราก็ลูกแจ้งเห็นจิตที่มันคิดทันชื่อว่าความคิดนี่ไม่มีปัญหารักษาโลกกันไ ด, ได้แต่บางคนไม่รู้กับความคิดก็มีปัญหาต่อให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภโกรธหลง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 หมามันก็กัดปลายไม้ที่เราแย่มันไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนแย่มันเอาไม้เราได้จับไม้ไปแ yeah. ย่มันหมาก็โกรธกัดปลายไม้โน่นมันมันไม่ได้มองเรามันมองปลายไม้ที่เราเอาไม้ไปแย่มันแล้วก็ไปเอาปลายเหตุเอาปลายเหตุโดรธไปมีสติเหมือนหมาถูกไม้แย่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 เอาปัญหาไปไว้ถืออื่นกลับมาโมามาดูตนมามองตนถ้าจะแก้ปัญหาก็มาสร้างสติไม่ได้ไปแก้เพราะรูปรูปคำคำไม่ได้ไปแก้เพราะมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกับอย่างอื่นกลับมารู้สึกตัว ก, กลับมารู้สึกตัวมันสะดวกมันสะดวกบางที ปัญหามันก็มาในเวลามันเงียบเงียบบางทีปัญหามันก็มาเวลาอุ่นวายปัญหามันเกิดในเวลาเงียบเงียบหยุดการหยุดงานเวลาหลับเวลานอนก็เอาปัญหามาคิดทำไมเป็นสุขทำไมเป็นทุกข์เวลานอนความสุขความทุกข์ในเวลานอนมันเล่นงานมันได้โอกาสเหมือนเชื้อโรค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 ก็เลยกลายเป็นเรื่องบานปลายไปพอ <c oughs> คิดว่านอนไม่หลับมันก็เกิดปัญหาตามไปหลายอย่างได้ตกกองบนเศรอมอง <c oughs> เกิดโรคไข้ไขเ้เจ็บพอรู้สึกตัวพอรู้สึกตั ว, ตวเวลาใดที่มันคิดอนะไรเวลานอนเวลาใดที่มันคิด่มันได้โอกาสสนุกสนุกทัน สนุกเห็นชัดๆเวลาเวลาเวลานอนเห็นมันระคิดเห็นชัดกว่าเวลาอื่นเวลาเราสร้างสติมันไม่เห็นชัดพอเราสู้เบลอนตาอยู่เวลาเรานอนเราไม่เหมือนกับเราไม่ลือนตามันมารับรับเล่ย์มาแต่เห็นเห็นเวลาที่มันรับเล่ยมันเห็นจังๆมันจับคาหนังคาเขา ตาต่อตาเนี่ยมันก็ยังไม่ลึกซึ้งไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ลึกซึ้งนะแต่ถ้ามันเห็นเวลามันหลับเนี่ยมันก็เราเห็นโจรเห็นขโมยที่มันจะมาเอาของเราเห็นกับหูกับตาจับคาหนังคาเขาเนี่มันลึกซึ้งกว่าเวลาเราไม่เจริญสติเวลาหลัเวลานอนมันคิดขึ้นมาแต่วรู้เนี่ยโอ้มันดีมากนะ อาจจะได้บรรลุธรรมตอนนั่นก็ได้อย่าประบาทอย่าทำเล่นๆแลนอนหรือตื่นขึ้นดึกดื่นตึกขึ้นดึกดดดดตื่นก็จะรู้ดตกไปคิดไปเลยรู้ซะหายใจเข้าหายใจออกลาตื่นหลับตื่นนอนใหม่ๆมันชัดเจนรู้สึกตัวแล้วความคิดมันจะออกหน้าออกตาพอตื่นขึ้นมาแล่นไปก่อน แล้วก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวนอนเล่นเล่ น, ลนหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวเวลานอนยิ่งดีใหญ่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งดีนะการเจริญสตินะเวลาที่ยังไม่เป็นอะไรเนี่ยมันก็หลายเรื่องหลายราว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 ความตายมันวิ่งไปวก็วิ่งไปกับเขาบังก็เหนื่อยอวิธีเจริญสติมันเป็นวิธีเป็นวิธีทีอ่อยู่กับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายที่จำนานกว่าอย่างอื่นจำนานกว่าอย่างอื่นํานาญอยู่ในธรรมชาติในอาการที่มันเกิดขึ้นกับกายกับรูป ถ้าเราเป็นผู้ปฏิบัติได้อารมณ์ของกรรมาฐานเหมือนคนมีวิชาความโลภไปทำอะไรวิชาเขาเป็นช่างไฟฟ้าเ็ก็เล่นกับไฟฟ้าเราเป็นช่างอะไรก็เขาก็เล่นกับเรานนั่นได้เราเป็นนายช่างนายช่างเขาปลูกเลื้อนเราเป็นนายช่างลื่อเลือดมันง่ายกว่าปลูก ไปปลูกมันยากแต่ลื่อนเนี่ยมันง่ายง่ายกว่าเพราะเราลื่อเป็นมันหลงกัลื่อออกเป็นความรู้แล้วแล้วมันโกรธกัรู้สึกตัวลื่อแล้วความโกรธลื่อออกแล้วความทุกข์กัรู้สึกตัวความทุกข์กัลือล่อออกแล้วความหลงรู้สึกตัวความหลงก็ลื่อออกแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวลัดเนิ้วมือลัดเนิ้ยมื อ, น, มอนี่นะปฏิบัติธรรมอย่าเนิ่นช้า ให้กระชับกระเข่งสักหน่อยมันจึงจะทันการทันงานเหมือนไฟถูกขาเราก็ปัดออกกันทีไฟถูกขาเราก็ปัดออกกันทียังไม่ได้ไหมไปถามใครใครทำไฟตกใสข่ขาเราทำไมจึงทำตกใสข่ขาเรามาแต่ไปถามหาคนที่ทำไฟตกใสข่ขามันก็ไม่ หนังไม้ขาเราเป็นแผลทำไมรักษายากความโกรธความทุกข์ความเลอะความชังมันจะไปติดเอากับกายกับใจกายกับใจมันก็ติดเป็นนะมันจะรักษายากขออะไรที่มันเกิดขึ้นกับรูึกตัวนะถ้ว่าปฏิบัติปฏิบัติเขาลสึกตัวมันไม่งานม่การอยู่มันไม่หลงกัรูเนี่ย หลงอะไรก็บรู้เนี่ยตัวรู้อันเดียวเป็นกุญแจดอกเกตเปิดเผ ย, ยความหลงแบบไหนก็ได้ความรู้อย่างเดียวใช้ได้หมดความหลงในทางตาเอาความรู้สึกตัวอย่เดียวเนี่ยความหลงในทางหูก็รูกก้สึกตัวอย่างเดียวความหลงในทางจมูกลูบลดจินเสียงรู้สึกตัวอย่างเดียวนะเลื่ได้หมดเปิดได้หมดแก่ได้หมดเปลี่ยนได้หมดนี่การปฏิบัติธรรม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 มนในเรื่องของกายของกิจนะเมื่อมนไม่รู้จักออกไม่รู้จักทางออกคนโกรธคือคนไปพบทางคนหลงคือคนไม่พบทางขนทุกข์คือคนไม่พบทางนะแค่นี้ก็ยังหลงหลงในความหลงหลงในความทุกข์หลงในความโกรธเป็นเรื่องที่จะไม่หลงมากๆากนะแต่คนส่วนมากก็ไปหลง โอมันเป็นเรื่องที่จะเกิดตือรือล้นจริงๆเห็นคนหลงเห็นคนกโกรธออ้ยแค่นี้เองออ้ยแค่นี้เองมันก็แค่นี้เอ ง, อเอ ง, เองจริงๆไปหลงทําไมไปทุกข์ทำไมไม่มีใครทําให้ตนเองเขาก็ไปเลือกของเขาแต่เราเอาเรื่องของเขามาหลงของเราเขาด่าเราไปเรื่องของเขาเราเอา คาด่าเขงมาหลงเขาว่าก็เราเขาว่าก็เราหลงแค่ไหนมันไม่น่าจะหลงไม่น่าจะหลงไม่น่าจะหลงจริงๆไม่น่าจะทุกข์ไม่น่าจะโ ก, ก, ก, กรธความหลงความโกรธความทุกข์เล็กๆน้อยๆถ้าจะพูดแล้วนะเล็กน้อยจริงๆความหลงความโกรธความทุกข์เล็กน้อ ย, มมมอยไม่มีวิธีใดมีแต่ความรู้สึกตัวแค่นี้เองลัดเนื้วมือเดียวนะ ความรู้สึกตัวก็สามารถสร้างได้ความรู้สึกตัวก็สามารถสร้างได้แต่ถ้าเราไม่มีวิธีที่จะรู้เรื่องความหลงของโกรธความทุกข์เนี่ยอะไรมันก็มีปัญหาทาไมหลงตรงนี้ไม่มีปัญหาอ่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่หลงแล้วก็ชีวิตมันก็หยุดหยุดเรเนแบบ ไม่ไปไหนแล้วความหลงคือการแล่นไปสิ้นเปลืองพลังงานความโกรธคือการแล่นไปความทุกข์คือการแล่นไปความไม่หลงความไม่โกรธความไม่ทุกข์คือหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วอ่าเราก็ได้อันจนสงไม่มีการแบ่งชีวิตรุน่นรุ่นชีวิตพรห ม, ม จ, จรรย์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 นกไปเห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำไส้เดือนไม่เห็นดินนอนไม่เห็นครูดเขาก็อยู่กับเขาก็อยู่งนนั้นได้ปลาก็อยู่ในน้ำไม่เห็นน้ำนอนอยู่ในครูดก็ไม่เห็นครูดเขาก็อยู่ได้ไส้เดือนอยู่ในดินเ้าก็อยู่ในดินได้เราไม่ต้องเป็นมนุษย์มีสมองมีปัญญาพัฒนาชีวิตของเราไม่ต้องไปอยู่กับลักษณะแบบนั้นอยู่อิสระภาพ อิสรภาพของชีวิตคือมีสติสติเป็นการไถถอนเป็นการปลดปล่อยไถ่ชีวิตเราออกมาสู่ความปกติถ้าหลงเราก็ถูกควบคุมจองจํามัดมือชกเหมือนกับพูดบทก่อนๆผมโกรธมัดมือชกคไม่มีสติผมหลงเขาก็มัดมือชกผมทุกข์เขาก็มัดมือชกเก็บปวด ถูกเขาทุกครั้งถูกทุกหมัดที่เขาต่อยมาเจ็บปวด้ารู้สึกตัวเนี่ยโอ้ยพอชกคนเดียวไม่ถูกรู้สึกตัวเนี่ยเป็นความว่างจากอาการต่างๆ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 จะโลดทำโน่นโลดทำนีำ่ไม่มีปิดปากเป็นถ้าจะพูดกับตัวเองเป็นการปิดปากคําว่ากูรักกูชัางในปิดแล้วกูสุขกูทุกข์ในปิดปากแล้วเป็นการปิดปากพูดไม่เป็นจะมีแต่การบอกการสอนกันแบบนั้นเหมนะือนกับอาจารย์ถามลูกศิษย์คุณมาอยู่กับเราคนณรู้อะไรลูกศิษย์คนหนึ่งยืนขึ้นปิดปาก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 รู้ไม่รู้เข้าใจไมมเข้าใจก็ต้องฟังแบบนี้ไปก่อนเอกสังหน่อยจะไปเจอชนปั๊วเข้าไปโอ้ปวดท้อโอ้ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานถึงบางอ้อโอ้ะโอ้อออนะมันหลงมันสุขก็มันทุกข์ก็มันเอออะไมันเป็นตัวเฉลยเห็นชัดชัดนะอ่ะ กับพระอมคัน